สามารถสองอย่างที่มนุษย์มีนะแต่ว่าสัตว์ไม่มีหรือมีน้อย2 อ, อย่างนี้คือความสามารถในการจดจําอดีตได้กับความสามารถในการคาดการอนาคตอันนี้มนุษย์เนี่ยนะมีความสามารถ2ประเภทนี้มากทีเดียวเราสามารถจดจาเรื่องอดีตถอยหลังยาวเพียงถึงสมัยที่ยังเด็ก ในเด๋อนนี้เราสามารถจะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตไปไกลกว่าก่อนที่เราจะเกิดนะเราก็สามารถที่จะล่วงรู้หรือจดจําได้นะถึงราวเงากรรมพืชของเราความสามัยส่วนนี้ก็คือความสามารถในการคาดการเรื่องราวในอนาคตสัตว์บางชนิดก็มีนะ แต่ว่าไม่สามารถที่จะมองยาวไกลได้เหมือนคนเราความสามารถนี้ส่วนหนึ่งก็อาศัยการจดจำเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างเช่นเรารู้ว่าเนี่ยพอถึงหรือเราสามารถ้าการได้ว่าพอถึงหน้าแล้งน้ำมันจะน้อยอ่า ที่เราคาดการได้หรือรู้ล่วงหน้าได้เพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์หรือผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วหรือเราคาดการได้ว่าถึงเวลาหน้าหนาวที่มันจะหนาวเฉียบที่เราคาดการไม่ผิดเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเป็นคนที่อายุมากผ่านโลกามานี้เขาก็จะมีความสามารถในการคาดการได้สูง แต่ทีนี้มันก็ไม่จําเป็นแล้วล่ะเพราะว่ามันมีตัวช่วยหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงอันนี้ความสามารถในการคาดการณ์อนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะมันช่วยทําให้เราสา ม, มารถจะเตรียมการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าช่วยเรา ในการวางแผนสำหรับอนาคตได้การที่เราคาดการได้ว่าเนี่ยพอถึงหน้าร้อนนี่น้ำจะขาดแคลนก็ทำให้เรารู้จักเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำช้ในช่วงฤดูฝนเก็บน้ำไม่เต็มที่เลย พอถึงหน้าร้อนนะแล้วก็ไม่เดือดร้อนมากพราะมีน้ำนะที่เก็บสะสมไว้หรืออย่างคนในเมืองหนาวเนี่ย<ม>เขาก็รู้ว่าพอถึงหน้าหนาวนี่มันหนาวมากบวกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องสะสมอาหารตั้งแต่กอนฤดูหนาวหรือก่อนฤดูใบไม้ร่วง เก็บสะสมไว้เนื้อสัตว์บางทีก็ต้องตากแห้งเพื่อไว้กินในฤดูหนาวก็ทําให้สามารถรอดชีวิตผ่านฤดูหนาวไปได้อันที่คนเราคาดการได้ว่าพอแก่ตัวแล้วเนี่ยนะเงินทองก็ไร่อยหรอและบางทีก็พึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริษณ์ตั้งแต่ยังหนุมอย่างสาว หรือขณะที่ยังมีงานมีการพอถึงเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองมากอันนี้ก็เลยว่าเป็นเพราะความสามารถในการคาดการณ์อนาคตหรือเราก็รู้ว่าพออยู่ไปอยู่ไปก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักเตรียมการด้วยการทำประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันภัยเอาไว้ถึงเวลาเจ็บป่วยก็มีเงินประกัน เอาไว้ช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้นั่นความสามารถในการคาดการณ์อนาคตนี่มันมันเป็นสิ่งที่ช่วยคนเราได้มากทีเดียวที่เราทำใช้ชีวชิตทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ว่าเรามีการคาดการเกี่ยวกับอนาคตอย่างใดอย่างห น, นึ่งเช่นที่หลายคนขยันเรียนขยันทํางาน เพราะสามารถคาดการได้ว่าเนี่ยการขยันเรียนมันทำให้มีอาชีพที่มั่นคงหรือการขยันทํางานก็ทําให้มีชีวิตที่มั่นคงในภายภาคหน้าทจริงแม้กระทั่งเวลาเราขับรถหรือนั่งรถเนี่ยเป็นเพราะเราคาดการว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าได้เราก็เลยต้องคาดเข็มขัดนริรภัยที่เรากินอาหารเรามาระวังเรื่องอาหารเพราะ เราพอจะคาดการได้ว่าถ้ากินสุมสี่ซุมห้ากินตามใจปากเดี๋ยวก็เกิดโรคเกิดความเจ็บป่วยในวันหน้าแม้กระทั่งการที่เราคาดการได้ว่าสักวันงเราต้องตายก็ทาให้เราเนี่ยรู้จักเตรียมการบางเขาก็เตรียมการโดยการทำพิในใยกรรมเพื่อไม่ให้ลูกหลานทะเลาะเบกแว้งกันในยามที่ตัวเองจากไปหรือบางคนก็ อันมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อได้เตรียมใจไว้รับมือกับความตายที่จะมาถึงเพื่อว่าพอถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่ทุกข์ทรมานจะได้ตายดีอันนี้เราทำโน่นนี่เพราะเรามีความสามารถในการคาดการเกี่ยวกับอนาคตซึ่งมันช่วยทําให้พอถึงเวลาเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราก็สามารถจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ แล้วก็ตามใ้ความสามารถในการคาดการณ์อนาคตนี่บางครั้งก็สร้างปัญหาให้กับเรานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่คนมีความเครียดมีความวิตกกังวลสูงเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะการคาดการ์เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองบ้างของสังคมของประเทศชาติของโลกบ้างหลายคนนี่พอคาดการ์ว่าเนี่ยเศรษฐกิจมันจะแย่ ค่างเงินบาทมันจะตกหรือว่าหุ้นมันจะตกพอคาดการแบบนี้จิตใจก็ห่อเหี่ยวเครียดหรือคาดการว่าเนี่ยกำไรมันจะหดธุรกิจจะไปไม่ดีก็เพราะคาดการแบบนี้นะทำให้หลายคนเนี่ยนอนไม่หลับมีความเครียดวิตกกังวลสูง หือไม่ใช่นักธุรกิจนะก็เครียดนะเครียดเพราะอะไรเพราะว่ากลัวจะสอบไม่ได้กลัวจะสอบไม่ติดนีสอบเข้าไม่ได้กลัวจะได้คะแนนต่ําหรือกังวลว่าเนี่ยจะทําวิทยาน์วิทยานิพนธ์ไม่เสร็จไอ้พวกนี้ไปเรื่องการคาดการณ์ทั้งนั้นนะแต่พอไปจดจอไปหมกมุ่นอยู่กับ ความคิดเรื่องนี้มันก็เลยเครียดบางคนก็เครียดเพราะขาดการว่าลูกเนี่ยจะเรียนไม่ดีจะคบเพื่อนไม่ดีเพราะดูทรงดูท่าทางแล้วนี่เนะชื่อคนง่ายหรือว่าชอบสนุกสนานไม่เอาใจใส่ในการเรียน ก็เลยคาดการไปข้างหน้าว่าเนี่ยลูเนียคงจะอนาคตไม่ค่อยดีพอคิดแบบนี้เข้าก็เลยเครียดวิตกกังวลในความสามารถในการคาดการของคนเราเกี่ยวกับอนาคตนี่เดี๋นี้มันเป็นที่มาของความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากนะ จการคาดการ์เกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ เ, เรื่องเสียหายมีประโยชน์นะถ้าใช้เป็นแต่พอไปหมกมุ่นกับมันมากๆแล้วก็ไปยึดติดถือมั่นเฉพาะเวลาคาดการ์ไปในทางลบทางร้ายมันก็ทำให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลสูงมากบางทีคนเราถ้าอดคิดไม่ได้ว่ า, าคนเรานี่นะมีความสามารถในการคาดการต์ต่ำๆนี่อาจจะมีความสุข ไม่เครียดกันนะเหมือนกับพวกหมาแมวนี่มันก็ไม่ค่อยรู้สึกอนาคตเท่าไหร่เพราะมั น, นการไม่ค่อยออกมองได้ไม่ไกล <c oughs> มันก็เลยไม่เครียดนะมันก็เลยไม่เป็นโรคนอนไม่หลักนะซึ่งต่างจากคนเราแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะที่เกิดจากการที่คนเราชอบไปให้ให้ค่ากับ ภาพอนาคตมากหรือไปให้ความสําคัญกับการคาดกายในอนาคตเนี่ยก็คือว่าทําให้ผู้คนเนี่ยไปหมกบุ่นกับเรื่องอนาคตมากไปอย่างเช่นหลายคนเนี่ยนะก็พยายามทํางานหนักนะพยายามทำงานหนักเพื่ออะไรเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตนะไม่ใช่เพื่อ ชีวิตที่มันคงของตัวเองเท่านั้นแต่รวมถึงชื่อที่มันคงของครอบครัวด้วยหลายคนทํางานหนักเพื่อจุดหมา ย, ยที่งดงามในวันข้างหน้านทํางานหนักมาก เ, เพราะอยากจะให้อนาคตเนี่ยมันมั่นคงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลืมนะลืมหรือมองข้ามปัจจุบันไป ทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่กลับไม่มีเวให้กับลูกไม่มีเวลาให้กับคนรักหรือไม่มีไล้กับพ่อแม่เลยทั้งที่มันเป็นเรื่องปัจจุบันลูกก็ดีก็อยู่กับเราพ่อแม่ก็อยู่กับเราในวันนี้คนรักก็เหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็มองข้ามเพราะว่ามองไปข้างหน้า ไปตรวจจออยู่กับจุดหมายปลายทางที่วาดหวังข้างหน้าลืมนะลืมที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันบางทีก็ลืมนะลืมสุขภาพทำงานหนักจนไม่ได้พักผ่อนร่างกายก็แย่แต่ก็ไม่ยอมพักเพราะว่า จดจ่ออยู่กับภาพอนาคตที่ต้องการสร้างสร้างเงื่อสร้างตัวให้มันมั่นคงหรือบางคนก็มุ่งนะแต่จะสร้างอนาคตจนไม่มีเวลาที่จะมีความสุขกับปัจจุบันบางทีบางคนเรียกว่าลืมใช้ชีวิตนะเพราะเอาแต่สร้างอนาคตเห็วนี้มีเยอะนะพที่ใช้ชีวิตทุกวันนี้เพื่ออนาคต แต่ลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันลืมที่จะหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือลืมที่จะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนหรือก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีกนานแค่ไหน ในแง่นี้ก็จะเรียกว่ามองอนาคตอย่างไม่รอบด้านก็ได้เพราะถ้ามองอนาคตรอบด้านก็จะพบว่าไม่นานเราก็ต้องตายหรือไม่รู้เมื่อไหร่คนที่เรารักที่อยู่รอบตัวเรานี่จะล้มหายตายจากไปถ้ามองตรงนี้บ้างนะเออมันก็จะทําให้ไม่มัวแต่สร้างอนาคตนะจนลืมให้ความสําคัญกับปัจจุบันหรือลืมให้ความสําคัญคนที่อยู่รอบตัวเรา มันห้ยาหนึ่งที่สำคัญนะเกี่ยวเรื่องการคาดการณ์อนาคตเนี่ยก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการคาดการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดการณ์บางอย่างเนี่ยก็อาจจะผิดได้แม้กระทั่งเรื่องอ ง, ง่ายๆเช่นคาดการณ์ว่าอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขนะอะไรที่มันจะทำให้เรา ไม่สุขสบายเนี่ยเรื่องแบบนี้ดูง่ายๆนะแต่ว่าคนเราก็มักจะคาดการผิดนะหรือมองผิดนะก็เคยมีการสอบถามหรือจะเรียกว่าทดลองก็ได้นะคนที่โดยสารรถไฟเนี่ย ตามสถานีก็จะสอบถามนะว่า เ, เมื่อคุณขึ้นรถไฟเนี่ยถ้าเลือกระหว่าง 1. คุยกับคนแปลกหน้าที่อยู่นั่งใกล้ๆกันหรือ 2. ไม่ยุ่งกับใครเลยอยู่กับตัวเองหรือว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบคนเดียว เขาก็ถามว่าเนี่ยระหว่างสองอย่างเนี่ยชอบแบบไหนหรือคิดว่าอะไรมันดีมันให้ความรู้สึกที่ดีกับเราพอเขาสอบถามเสร็จนะเขาก็จะแบ่งผู้โดยสารเนี่ยออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเวลาขึ้นรถขึ้นรถไฟเนี่ยก็ให้คุยกับ คนแปลกหน้าอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องคุยกยับคนแปลกหน้าทำอะไรตามใจชอบก็ได้เลยนะเช่นอ่านหนังสือนะหรือว่าดูโทรศัพท์มือถือแต่แล้วพอเดินทางเสร็จเขาก็ให้ทุกคนเนี่ยให้คะแนนนะว่าใ้ประสบการณ์ ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกดีกับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พบว่าก่อนเดินทางนะก่อนขึ้นรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะบอกว่าเนี่ยการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายคนจะรู้สึกดีกว่านะถ้าว่าอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวอ่านหนังสือหรือว่า ดูมือถือแต่พอได้ขึ้นรถไฟแล้วเนี่ยคนที่ได้มีโอกาสคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยก็กำบอกว่าเออมันให้ความรู้สึกที่ดีนะมันตรงข้ามกับความเข้าใจของเขาก่อนที่จะขึ้นรถไฟว่าคุยกับคนแปลกหน้านมันถ้านไม่ค่อยชอบอ่ะอยู่คนเดียวดีกว่า อันนี้เนี่ยเขาก็เลยได้ข้อสรุปนะว่าคนเราเนี่ยแม้กระทั่งเรื่อง ง, ง่ายๆเนี่ยเช่นเรื่องการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คาดการไม่ถูกต้องเท่าไหร่คือไปมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสู้การอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่ได้แต่พอเวลาได้คุยกับคนแปลกหน้าจริงเออมันดีนะ ไอ้ที่คิดว่ามันไม่ดีมหรือว่าฉันไม่ชอบเนี่ยที่จริงไม่ใช่เลยพอได้ลองทําดูแลมันดีเขาก็เลยนะตั้งข้อสังเกตว่าคนเราเนี่ยสิ่งที่เราคาดว่ามันจะให้ความสุขกับเราบางทีเราก็คาดการผิดเหมือนกันไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ชอบเนี่ย มันกบดีกับเราหรือเรากับรู้สึกดีกับมันเมื่อได้ลองทำดูอันนี้มันก็นำไปสูนะ่การตั้งข้อสังเกตว่าคนเราเนี่ยเวลาคาดการเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยเราบ่อยครั้งเรามีแนวโน้มที่จะประเมินสิ่งที่เป็นปัญหา สูงเกินจริงไปขณะที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเรามักจะประเมินต่ำอย่างเช่นก่อนที่จะขึ้นรถไฟเนี่ยเวลาถามว่าเนี่ยลุกสียังไงนะที่จะต้องคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยหลายคนจะมองว่าคุยกับคนแปลกหน้านมันเสียเวลาบางทีอาจจะเจอคนงี่เง่าจเจอคนที่พูด ไม่ถูกหูอันนี้คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญมากเกินไปหรือประเมินสูงเกินไปนะในขณะที่ไอการที่ได้คุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันอาจจะมีข้อดีนะก็คือว่าเออได้ได้เจอเพื่อนใหม่หรือได้ฟังอะไรที่มันน่าสนใจ รู้สึกมีเพื่อนมีคนที่คิดเหมือนกันหรือว่าให้ประสบการณ์ดีๆกับเราเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่คนมักจะประเมินต่ำไปแล้นก็คนเราก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะอย่างเช่นเวลาเนี่ยให้ ให้นักเรียนเนี่ยนะหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยครูให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยมาเดินธรรมญาติราเนี่ยหลายคนนี่จะบ่นเลยโอยไม่ไหวไม่ไหวบ่นตั้งแต่ก่อนจะมาเดินเพราะเห็นแต่ปัญหานะแต่ว่าสิ่งดีๆีเนี่ยมอไม่ค่อยเห็นไปคิดวเนี่ยโหยสงสัยฉันไม่ไหวแน่เลย นะเดินตากแดดเดินทางไกลคือมองปัญหานะมันสูงเกินจริงและมองประโยชน์ที่ควรจะได้เนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงแต่พอเราไปเดินเข้าจริงโอ้ปัญหาที่คิดว่ามันใหญ่มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยปัญหาที่คิดว่ามากนี่มันกลับจิ๊บจอยแต่สิ่งที่คิดว่าคงจะไม่ค่อยได้อะไร พวกมักับได้เยอะเลยหรือคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็เห็นแต่ปัญหานะมาปฏิบัติธรรมนี่มันเหงามันลําบากนะก็เลยไม่อยากมาแต่พอลองได้มาปฏิบัติธรร ม, มันจเจริญสติดูโอ้ก็บพบ ว, ว่าไอ้ที่คิดว่าเป็นปัญหานี่มันเล็กน้อยส่วนข้อดีที่มองไม่ค่อยเห็น ให้ความจริงเหมือนกับเยอะนะเช่นความสงบนะหรือว่าความรู้สึกสงบเย็นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อเตือนใจนะว่าคนเราเนี่ยอย่าไปเชื่อมั่นมากเกินไปนะกับความคิดความเห็นเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่า ความจริงอาจจะไม่เป็นแปลงที่คิดก็ได้บางทีเห็นในชายคือคนที่ถูกรัตเตอรี่นะหรือว่าเช่นเวลาพูดถึงรัตเตอรี่เนี่ยหรือการมีเงินมีโชคมีลาภเนี่ยโอ้ยคนมองเห็นแต่ข้อดีนะว่าโอ้โหถ้าฉันได้ถูกรัตเตอรี่ฉันจะหรือฉันได้โชคได้ลาภได้เงินรางวัลนี่ฉันจะมีความสุขมากเลยแต่พอได้จริงๆนะก็บพบ ว, ว่าไอ้ข้อดีเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่า อาจจะน้อยกับข้อเสียไอข้อเสียที่คิดวาไม่มีเลยเนี่ยเอาข้ามจริงมันกลับเยอะมากนี่ก็เป็นการคาดการที่ผิดอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์เราบางอย่างเนี่ยเราเห็นแต่ปัญหาแต่เราไม่ก็เห็นข้อดีท้าทั้งที่ปัญหานี่เล็กน้อยแต่ข้อดีเยอะบางอย่างนี่เราเห็นแต่ข้อดีแต่ไม่เห็นปัญหาท้าทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ ปัญหามันเยอะมากส่วนข้อดีก็มีบ้างแต่น้อยหรือน้อยกว่าที่คิดอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความจํากัดนะในการคาดการเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำข้างหน้าหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้างหน้าเพราะอย่าไปเชื่อความคิดของเรานะีเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะความจริงอาจจะไม่ ตรงกับที่คาดการก็ได้ถ้ามันไม่แย่กว่ามันก็จะดีกว่าก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ต้องทดลองทำดูอย่างคนที่คิดว่าเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยฉันอยู่คนเดียวดีกว่าที่จะคุยกับคนแปลกหน้าแต่พอได้คุยกับคนแปลกหน้าก็พบวะเออมันดีฮะเออมันดีกว่าการอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวได้ซ้ำ ถ้าไม่ได้ลองทำดูก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่คิดเอาไว้เนี่ยมันไม่ถูกต้องไอ้ที่คาดการเอาไว้เนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลาเรามีการคาดการอะไรนะแม้กระทั่งเกี่ยวกับความสุขหรือว่าสิ่งที่พึงปรารถนาเนี่ยก็อย่าไปเชื่อมั่นมากเกินไปเพราะมันอาจจะเป็นการคิดเอาเองก็ได้ต่อเมื่อเราได้ทดลองทำดูเนี่ยเราจึงจะรู้ว่า อาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้หรือบางอย่างอาจจะแย่กว่าที่เคยคาดหวังก็ได้